ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องพรปรมนิพพานสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพระนิพพานข้อแรกหรือพระสูตรแรกเราจะเรียกว่าอายตนะคือนิพพานแต่ว่าเป็นภาษาที่สมมติเรียก แม้แต่คำว่าอายตนะเองก็สมมติเอาเป็นการให้นิยามความหมายของคำวั น, นิพานในเชิงที่เป็นการปฏิเสธถึงความมีอยู่ของสิ่งทั้งหลายาเราจะเห็นว่าตามปกตินิพานเนี่ยอจะนำเสนอในเชิงที่มีกับไม่มี เช่นยกตัวอย่างว่าในการนิยามนิพานที่ทรงแสดงในปฐมเทศนาทรงใช้คำว่าการดับตัณหานั้นแล้วก็ไขความวัญญาโกคือการสละตัณหานั้นปฏิมิตโงคือการถ่ายถอนตัณหาออกไปจากจิตใจมุติ คือจิตหลุดพ้นจากปัญหาอนาลโยคือไม่มีความอาลัยในสิ่งทั้งหลายที่ได้รับไปแล้วตัวอย่างเขาเรียกว่าเป็นวัยพจทธของกันและกันอธิบายในเชิงที่บริสุทธิ์จากกิเลสปัญหาทั้งหลายวันเวลาเรากล่าวสรรเสริญบรคคุผูคุณเราอาจจะเน้นที่ พัญยาก่อนหรืออาจจะเน้นที่กรุณากรหรืออาจจะเน้นที่บริสุทธิ์ก่อนดูตัวอย่างคำำํานมัสการพระตนณฐายที่ชาวพุทธเราใช้กันโดยทั่วไปก็จะมีสองบทนะบทแรกก็คือนโมตัสสะโดยใช้กันแค่หลายชาวพุทธยังไม่มีอะไรก็ว่านโมได้นโมนั้นจะเน้นไปที่ กรุณาแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็ปัญญาคือคำว่าพัฒนาตโตนั้นเป็นกรุณาคุณแปล ว, ว่าจาแนแกแจกจ่ายธรรมะแล้วก็ระหโตก็เป็นบริสุทธิ์ที่คุณแปลว่าหรรมแห่งสังสาริจักบ้างแปลว่าไกลจากิเลเลศบ้างแปลว่าควรบ้าง แปลว่าไม่ทำบาปแม้ในที่รับฟังแล้วก็สมาสุทธะนั่นแปลว่าศัตรูดีสัตรูชอบใปโปรงเองเป็นการสะท้อนถึงปัญญาคือความมีปัญญาแต่ว่าปัญญาเป็นเหตุนะฮะให้ลองสังเกตว่าปัญญาเป็นเหตุที่ทำให้โปงรงศัตรูเพราะปัญญาจึงเป็นอริยมรรค มันก็เหมือนกับข้อความที่ส่งแสดงในตอนต้นของธรรมจักรวัฒนสูตรตรงใช้คำว่าจากักโคเกณีแปลว่าทำดวงตาให้บังเกิดขึ้นยานะรณีคือทำยาให้บังเกิดขึ้นสองอย่างนี้เป็นผลมาจากจากสมาธิจิตเป็นอาริมักที่สมบูรณ์แล้วมันเกิดเป็นสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบ พระาจนั้นก็บอกว่าอุปสมายะคือเป็นความสงบสงบจากอะไรสงบจากพิเรศหรือถ้าเราดูเราจะเห็นว่าก็คือบริสุทธิคุณอภิญญายะแปลว่าความรู้ยิ่งขึ้นคือรู้สูงขึ้นกว่าเดิมคือหมายความว่าพระรยาบุคคลตั้งแต่ปโสรบันขึ้นไปเนี่ยท่านได้ญาณสามในอริยสัจสี่เหมือนกัน เพียงแต่ว่ากําลังคือญาณเนี่ยมีไม่เท่ากันมันเหมือนกับเราขาจัดความมืดโดยแสงสว่างด้วยกันแต่ว่าปริมาณแสงสว่างไม่เท่ากันโดยความมืดที่ถูกขจัดออกไปจึงมากน้อยไม่เหมือนกันความมืดที่ถูกขจัดไปอย่างสมบูรณ์จึงมีเฉพาะพระอระหันต์ท่านก็ใช้คําว่าอภิญญายะคือความรู้ยิ่ง เป็นึงจุดหนึ่งคือสมโบทายะคือศัตรุสัตรุก็เป็นผลนะเป็นผลของความสมบูรณ์แห่งอริยมรรคแล้วก็นิพพานายะก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าดับกิเลสและกระดับทุกข์ซึ่งความจะไขในลักษณะนี้เราก็พบเยอะนะฮะบางทีเช่นพูดผู้ที่เดียวก้าวอย่าง มดานิมนาโนเป็นการทำลายซึ่งความเมาขจัดเฉื่ยซึ่งความเมาปีปาสวินโยคือดับความกระหายทั้งหลายอรยะสมุขขะโตคือถอนเขือยซึ่งความมาลัยวัตูปเสโดคือตัดวัตตะตนักขโยคือสิ้นดัญหาวิราโกคือปราศจากราคะ มุติคือจิตหลุดพ้นแล้วก็อนารยโยคือไม่อะไรแล้วก็นิพานบางทีกนนิโรโธนิพานังนะฮะ น, นิโรโธก็คือดับกิเลสแล้วก็ดับทุกนิพานังก็คือนิพานคําทั้งหมดที่จริงหมายถึงนิพานวพานิพานมันเป็นภาษาใจที่เราไม่สามารถจะอธิบายได้ จึงเป็นประธรรมคุณบทว่าปัจจตังวีดิตตโบงโยหิคือบิณฑูชนจะรู้ได้เฉพาะตนมันเหมือนกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหลายยุคพุทธทาี่อธิบายให้สมบูรณ์ตามที่เรารู้นี่ไม่ได้ใ น, นแต่สุขทุกเนี่ยให้เอาสังเกตาสุขทุกมันก็เป็นเวทนาจะสมมติว่าการพ ร, พรากสูญเสียลูกตายเมียตาย ถามว่าเราเกิดทุกเวทนาเท่ากันไหมมันก็ไม่เท่าขึ้นอยู่กับบ่คนรู้เท่าทันถึงสภาวะธรรมมากน้อยแค่ไหนเพียงใดคนบางคนมันเตสมมะสังมูไปสมุทสุโขคือสงบระงับในสังขารทั้งหลายไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พ้นทุกไปชัดหนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่ของผู้อยู่ต่อผู้ตายไปเท่านั้นเอง ไม่มีความเศร้าโศกเสีย ใ, ใจอะไรเผาก็คือจบปไปเลยไม่มีอะไรระดับหนึ่งนะฮะไม่มีอะไรระดับหนึ่งพั้งแม้แต่อันเนี้ยคอือตาหูจมลิ้นกายใจของเราที่สัมผัสอารมณ์เนี่ยถามจริงๆว่ามันหวานยังไงมันเปรี้ยวยังไงมันมันยังไงมันอร่อยยังไงมันหอมยังไงมันเหม็นยังไงไม่สวยยังไงมันอธิบายไม่ได้ล ตองให้เขาดูเองแล้วคนที่ดูไปมันก็อธิบายไม่ได้อีกอห้เราสังเกตประสาทสัมผัสทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่สัมผัสอารมณ์เราอธิบายเป็นเราเราความเทียบเคียงนะได้แต่ถ้าให้รู้จริงเนี่ยต้องสัมผัสตรงด้วยตัวเองนีนะถ้าถ้าสัมผัสตรงถามันคิดเหมือนกันไ้ยมันก็คิดเหมือนกันหรอก ม่ขึ้นขึ้นก็อยู่กับพื้นฐานของจิตพื้นฐานจิตของมนุษย์เนี่ยให้เราสังเกตว่าการโฆษณายกตัวอย่างว่าไอ้เครื่องดื่มสูกำลังเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยไม่รับประทานไม่ดืม่มนะฮะมีคนกลุ่มหนึ่งนี่ดื่มจนติดเลยเดื่มจนน่ากลัวแล้วไม่ได้จะดื่มมาททำอะไรเจ้าของนี่รวยเลยแต่ว่า พู้ดืมมีจนลงวันหนึ่งวันหนึ่งในจ่ายสตางค์เพราะเรื่องเหล่านี้ไปอย่างน้อยนี่สองขวดก็เท่าไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรสรุปว่าก็สิ้นเปลืองไปเยอะรับรู้โฆษณามาด้วยกันเน่ยแต่วินิจฉัยอารมณ์ได้ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของมนุษย์เพราะตรงนี้อย่างที่เคยบอกไว้ในวันก่อนว่าเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่าใช้วิธีกากัน ไม่แก้ปัญหาอะไรหลอกการด่าเนี่ยเช่นเราเลิกสูบบุหรีได้เราเห็นโทษของบุหรีเนี่ยถ้าทีที่ถูกต้องมันต้องถามว่าคุณมีความรู้สึกต่อคนสูบบุหรียังไงรู้สึกบูมินรู้สึกอะไรละ่ะรังเกียดคิดเั้นนั้นน่ อ า, าการเหล่านั้นเป็นอาการของกิเลสรู้สึกบุนี้ลเป็นอาการของมานะรู้สึกรังเกียจเป็นอาการของโทสะปรากฏว่าเขาสุบุรีเนี่ยที่จริงมันไม่เป็นทุจริตหรอกสุบรีเนี่ยแต่การไปด่าว่าเขาบางคนใช้คําแรงๆสุบรีกินขี้หมาดีกว่าดื่มเหล้ากินขี้หมาดีกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นไม่จริงทุจริตนะ แต่วคนที่สุบุรีเนี่ยมันไม่ถึงกัทุจริตแล้วมันก็ติดยาเสรตจดอย่างนี้เพราะงั้นการมองคนที่อ่อนร่ำกว่าเราจึงมองด้วยกรุณาถ้ามองมองด้วยเมตตามองด้วยกรุณามองด้วยเบกขานะมองด้วยมุติตานะี่ยไม่ได้แล้วถ้ามองอย่างอื่นแล้วก็ถือว่อน มองเลยดูถูกุูมินเหยียดหยามเขาหรือว่าด่าว่าเขาอะไรต่ออะไรงมงายไร้เหตุผลไม่มีความรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยคือถ้าเขาคิดได้เหมือนเราเนี่ยเขาก็เป็นเราเนะที่เขาทำอย่างเขาคิดก็คือเขาคิดไดเท่านั้นนหะคนเหล่านั้นเป็นคนที่ควรแก่การศึกษาแก่การสงสารอย่างยิ่งแก่การอุเคร์อย่างยิ่งเขาเยาวเขาเขา้าเขาอ่อนรดอย ไม่ใช่เราไปซ้ำเติมครเพราะตัวนิพพานจะบอกชัดเจนมากเริพานนั้นเป็นจิตที่มันเกิดปัญญาขึ้นมาก่อนเราอาจจะเรียกวิชาก็ได้เรียกว่าญาณก็ได้เรียกว่าวิมุตต์อะไรก็ได้นะก็เรียกอะไรเยนะ้วมันทำลายอาวิชชาพอวิชาถูกทําลายไปเนี่ยกิเลสมันก็หมดอ่ะถอนรากง้าวยาววิชาใจก็บริสุทธ พอใจบริสุทธิ์ถึงโลกทัศน์มันพลิกกลับเรียกว่าเท่าไรล่ะกระเต็มที่นะฮะเรียกอะ่รสามร้อยหกสิบองศาอะไรคือเปลี่ยนเต็มที่เลยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยพวกแง่เปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือโลกมันมีการเบียดเบียนคนที่เข้าถึงนิพพานนี่ตรงเงินข้ามกับเบียดเบียนนะคือกัลุณาเป็นอาวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนหรืออาหิงสาคือไม่เบียดเบียน แต่ไม่ใช่ไม่เบียดเบียนเฉยเป็นการุณาด้วยคือไม่เบียดเบียนนั้นเพียงแต่งดเว้นไม่เบียดเบียนแต่กรุณาไม่ใช่มันโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอธิบาลสงสารคนที่เยาที่เข่าที่อ่อนด่อยเหล่านั้นผนภารกิจของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายจึงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกบทสรุปเนี่ยคือผู้อนุเคราะห์โลก เราเรียกว่าโลกกันนาดคือที่พึ่งของโลกเราเรียกว่าโลกก น, นายกคือผู้นําของโลกเราเรียกว่าโลกกันเชตคือพี่ชายคนโตของชาโลกัวหลักก็คือโลกกันนาแล้วว่าเป็นที่พึ่งของชาโลกทรงมนุเคราะห์โลกเสมอเหมือนกันหมดอย่างที่เคยยกตัวอย่างคํากล่าวของพระเทวทัตตอนที่อยู่ที่ขยะศรีรษะแล้วก็ป่วยหนักต้องการจะเฝ้าพ ร, าระพุทธเจ้าเพื่อขอขอมาลาโทษสํานึกผิด ลูซีก็ห้ามพระอาจารย์ล่วงเกินพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยพระเจ้าจะยอมให้ข้าวเคว้าเรือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเราทำข้อเราคนเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดโตตอบอะไรพระเจ้ามีพระทัยเสมอกันหมดทั้งในช้างธนบานซึ่งไล่แทงพระองค์นายขมังสนูซึ่งซุ่มเพื่อจะฆ่าพระองค์ จนองคริมาณซึ่งล่ฆ่าพระองค์งทิวทัศน์ซึ่งล้างผลาญพระองค์สารพัดกับพระราคุนนี้พระพุทเจ้าประไทยเสมอกันนั้นก็แสดงเห็นว่าจิตที่กรุณา น, นั้นมันเป็นเสมอภาคไม่มีอาภาติไม่มีลำเอียงอะไรใดๆแต่ทีนี้อธิบายยังไงอะเราเห็นว่าสังคมไทยเราจะเขียงเรื่องนี้ผ่านกันเนี่ยเยอะมากเขียนหนังสือกันมาเป็นเล่มๆนะ ออกหนังสือโต้ตอบกันเป็นเล่มๆแล้วก็ที่จริงคนเฉียงเนี่ยเราต้องรู้ว่าอย่างอะไรก็ตามที่เฉียงเนี่ยคือไม่รู้ด้วยกันเนี่ยคนที่รู้เขาจะไม่เถียงกับคนไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่เถียงก็คือไม่รู้ด้วยกันที่นําไปสู่การทะเลาะวิวาทเนี่ย พระเจ้ารับสั่งแก่พระโมคคัลลานะว่าดูกรอโมคคัลลานะเธอพึงศึกษาเส้นเนียกว่าเราจะไม่พูดถ่้อยคําที่เป็นเหตุให้เฉียงกันเพราะถ้าเฉียงกันแล้วต้องคิดมากเราคิดมากเราบางฟุ้งซ่านตราฟุ้งซ่า น, นจะไม่สารวมพอไม่สารวมจิตก็จะห่างจากสมาธิและเลิดไปเลย แล้วก็ลามปามนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเริ่มที่เฉียงแล้จะลามปามมางที่ลามหายไปถึงปู่ย่าตายายเหมือนคนที่ด่ากันนะฮะเราตั้งกตถ้าเราอัดเท็พคนที่ดา่าเราเห็นอาการกิเลส ช, ชัดไต่โอ้มันเข้มขึ้นเรื่อยๆก้าวร้าวไปเรื่อยลามปามไปเรื่อยแล้วก็รุนแรงฮะจนถึงกับคุมกายไม่ได้คุมวาจาไม่คุมว า, า, าจาไม่ได้อยู่แล้วนะคุมกายไม่ได้ได้จะเสียศูนย์เคขาดการควบคุม ในสึดก็ออกมาไปรูปของการประทุษร้ายซึ่งกันและกันพู้นี้หลยกลายเป็นจุดอ่อนอะจุดอ่อนอยังหนึ่งในหมู่มนุษย์ที่บางครั้งบางคราวนี่ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือทําลายขวายตรงกัข้ามก็ได้ใช้ความโลภทําลายขวายตรงกันข้ามก็ได้ใช้ราคะทําลายข่ายตรงกันข้ามก็ได้พู้นี้ง่ายใหญ่เลยยิ่งความโลภกับราคะนี่จะใช้ทําลายาใครเมื่อไร่ก็ได้นะ เพราะไรเพราะว่ามนุษย์จะอ่อนแอมากในเรื่องตัวนเพราะบางหน้าจิตใจจะไม่เข้มแข็งจะไม่หนักแน่นไม่มั่นคงในเรื่องตัว น, นี้เพราะหนึ่งรู้เจ้าเสด็จที่พระเติตวันแล้วคั้งลองสังเกตว่าอุทาในเราพูดมาตั้งแปดวักแล้วนะฮะมีวักทั้งหมดแปดวักกัน ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตะวั น, นเป็นส่วนใหญ่สมัยหนึ่งพระพู้มีพระเจาา้าทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งให้สมาธาในอาจฐานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกาถาอันปฏิสังยุตเป็นนิพพานภิกษุเหล่านั้นกระทำให้มันมนัศสิการแล้วน้อมนึกธรรมีกถาด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดลงฟังรม ลำดับนั้นพระผพุทธเจ้าทรงแสดงเนื่อความนี้แล้วก็ทรงเป่งพระพุทธอทานหมายความเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ทรงอธิบายธรรมะที่ปฏิสังยุตเป็นนิพพานพระเองท่านยังไม่ไมบรรลุนิพพานหรอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงนิพพานเพื่อเป็นการกระตุ้นเร่งร้วาวปลูกฝังให้เกิด ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคืออิทธิบาทมันเดินไปที่จะนําจิตของท่านเหล่านั้นเข้าสูญญิพานแล้วจากนั้นก็ทรงปริ่งเป็นพระพุทุธานะและพุทุธานในที่นี้มีลักษณะคล้ายๆกับเทศนะฮะเพราะว่ามันต่อนเนื่องไปจากการเทศพุทุธานบทก่อนๆเนี่ยจะทรงปริ่งประรบเหตุเหล่านั้นเหตุที่ทรงประรบก็จะ สอดคลองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะพูดถึงเหตุที่เป็นเหตุให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นหรือจะพูดถึงอาการของเหตุการณ์เหล่านั้นก็นแล้วแต่ในที่นี้ทรงอธิบายนิพพานว่ารูปกรพิสุทธิ์ทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนี่เป็นคำคำสมมุตินะฮะต้องเข้าใจเดี๋ยวจะพูดว่านิพพานเป็นอายตนะจนเรียกว่าอายตนะนิพพานกันอีก เมื่อก่อนนี้เจอหนังสือที่เขาส่งมาให้นะ่ะเรื่องอญญายตานิพพานนะมีสองเล่มบล็อกเราไม่ได้อ่านอะฮะขี้เกียจอ่านเพราะอะไรเพราะว่าคือเราไม่คิดใ้รอบขอบถ้าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วไปอยู่ที่ดินแดนแห่งไรแห่งหนึ่งเป็นโลกเป็นอญญายตนะเป็นดินแดนเป็นวิมานเป็นอะไรก็ตามนะฮะสรุปว่ามีพบแล้วก็มีภูมิฮ มีชาติมีภูมิแล้วก็มีชาติแล้วก็มีภพมันทำลายเอกลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอย่างแรงมากๆเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้กรุณาเขาเรียกกรุณาสมาปัฏิยานะพระทยอยู่ด้วยกรุณาอย่างต่อนเนื่องตลอด เรดูพุทธจริยาว่าประทับบนพระแท่นเนี่ยประชวนหนักนะลงพระบางคนหนักทั้งหลายครั้งเนออกมาเป็นโลหิตสดๆก่อนจะไปนิพพานประทับจะบนพระแท่นที่เป็นนิพพานสอนตลอดขนาดชวนจะนิพพานอยู่เรามาร่แล้วสุภัทภปริพราชกขอเข้าเฝ้ า, พ, าพระอนุ์ไม่ยอมถือว่าเป็นการรบ ก, กวนพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้ยินรับสัง่ง ให้พระนนท์เรียกสุภัททะเข้าไปคุยกับสุภัททะเทศสอนสุภัททะอธิบายเรียบร้อยต่อคำถามให้เรียบร้อยจนสุภัททะได้บรรลุมรรคผลทันการไปนิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งก็แสดงเวลาสั้นมากๆแล้วก่อนจะไปนิพพานอย่างรับสั่งย้ําเตือนนะฮะเป็นปชิมพุตโขพลด อมานตายามีโวภิกเเววยะธรรมะสังขาระประมาณเณนสะสำปาเดชะบุคคลภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลา ย, าลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้สมบูรนณะ์หมายความว่าดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการทุกเมื่อเป็นอปมาระเวหารีหรือวิหาริโน หยิบอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือมีสติยืงต่อแ น, น่นเป็นปรญหาภูเขาที่เราทำไม่ได้คนเราก็ตามปกติแล้วก็มันจะขาดสติทีนี้การพูดถึงเนี่ยมันก็ต้องมีคำสมมติขึ้นนะเช่นเราพูดว่าเหมือนที่หนึ่งมันมีแก้ววางอยู่แล้วเรายกาแก้วน้ำนั่นออกไปเขาพูดประชุมเนี้ย เป็นที่ที่ไม่มีแก้วนะ้ำมันก็ต้องพูดด้วยภาษาที่สมมุติขึ้นคําว่าอายตนะนั้นไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่อายตนะภายในไม่ใช่อายตนะภายนอกแต่เป็นคําที่สมมติเรียกในเชิงปฏิเสธบอกว่าสภาวะเหล่านั้นอาจจะเรียกสภาวะกต่สมมุติเอานะฮะสภาวะเองก็ต้องถือว่าสมมติเอา ว่าสิ่งนั้นนะมีอยู่สิ่งก็สมมติอีกอสิ่งนั้นก็มีอยู่แต่ไม่ต้องสมมติเรียกอะ่ะวันคำว่านิพานก็ดีวิมุตติก็ดีวิสุทธิก็ดีสันติก็ดีวิราคะก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นคำสมมติเรียกคนที่รู้จริจรงๆว่า น, นิพานคืออะไรนั้นก็คือท่านที่เข้าถึงนิพานเท่านั้นเหมือนคนที่รู้ว่าอาหารอันนี้อร่อยอย่างไงเนี่ยคือคนที่กินเท่านั้น ที่จะรู้ได้คนอื่นรู้ไม่ได้แร้วเพราะเวลาอธิบายนิพพานเนี่ยถ้าเราดูในอภิธรรมอภิโดสิบสองเล่ม น, นะฮะอภิธรรมอภิโดอธิบายถึงจิตเจตสิกรูปเนี่ยจิตพิสดานเลยจับกันไม่หวาดไม่ไหวเพอาะนิพพานอธิบายหน่อยเดียวมันไม่ใช่ภาษาอธิบายเป็นภาษาใจ ที่ผู้สัมผัสเท่านั้นจะรู้ได้ด้วยตัวเองนั้นก็ทงแสดงว่าดินน้ําไฟลมธาตุสี่เนี่ยธาตุสี่นี่ยไม่มีในที่ใดก็นนะเห็นไหมว่าไม่มีพบไม่มีชาติเพราะถ้ามีพบมันต้องเป็นธาตุสี่เพราะเป็นที่อยู่ครับพบมันเป็นที่อยู่มันย่อมต้องต้องเป็นธาต อย่างน้อยก็เป็นอากาศธาตุแต่นี้ไม่ใช่รับสั่งว่าอากาสานัญจายตนะพวกนี้เป็นอาูกประพกเป็นนามธรรมนะฮะที่จริงเป็นนามธรรมเป็นอาลูกประพกที่ก็พูดถึงพวกขันศีไปบังเกิดขันศีมันเป็นนามะเป็นเบทนากสัญญาทางการวิญญาณเป็นนาม ก็เรียกว่าอาการสานาาัญจายตนะเป็นชื่อของอารมูปฌานหรือว่าเป็นชื่อของพบที่สัตว์ไปอุบัติสัตว์ที่ได้บรรลุอาการสารัญจายตนะฌานเนี่ยไปบรรลุในพบนีแต่ว่าเป็นนามเป็นนามธรรมซึ่งเราเห็นด้วยตาไม่ได้คือเราดูแล้วก็อธิบายก็เข้าใจอีกค่อนข้างยา ก, ก น, นะ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเข้าใจอ่ะมันเรื่องสัมผัสทรงแล้วก็วิญญาณัญจายตนะก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยสงใช้ก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยอากินจัญญายตนะก็ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเนวสัญญาณนะสัญญายตนะในยิงบนนี้ก็มีสีนะ เนี่ยกาสานัญญาจตนวิญญาณั้จัจตนอคิจันญาจตนาเนวสัญญาณนัสัญญาตนตอนนี้ไม่ได้รับสั่งมันก็ทาให้เห็นว่าเวลาพูดถึงวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยพูดที่ตั้งของวิญญาณเจประการน่ะไม่มีบินเนวสัญญาณสัญญาจตนาเหมือนกัน เราพูดถึงสัตว์วาดแล้วก็มีนะสัตว์ว่าดวยเราที่อยู่ของสัตว์แล้วก็มีแนวสัญญาณนาะสัญญาญตระหนัอยู่ด้วยแนวสัญญาณนะสัญญาญตระหนันี่แปลว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่เชื่อถ้าลูกามาเหมือนกับเราล้างผ้าชนะเนี่ยเรายัางไม่ได้เช็ดนะเราถามว่ามีน้ํำไหมเราจะตอบว่ามีก็ได้นะเพราะมันยังเปียก แต่ต่อมาไม่มีก็ได้เพราะมันดื่มไม่ได้เพราะนั้นตรงนั้นเอถือว่ามีก็ได้ไม่มีก็กได้มีก็ใช่ไม่ ม, ม, ไ ม, ไมีมีก็ไม่ใช่ไม่มนะีก็ไม่เชิงก็่อไปเป็นไรโลกนี้โลกหน้าพระจันร์พราทิตย์ทั้งสองโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ พระจันท์พระก็ไม่มีพระอาทิตย์ก็ไม่มีหมายถึงสภาวะของนิพพานเนี่ยไม่มีทั้งหมดพวกนี้ไม่มีทั้งหมดแล้วก็บอกว่าลูกกรรพิศสูตัทงหลายเราไม่ใช่ย่อมไม่มีในอายตนะนั้นเรานื้ดูมันมันจะมีอะไรดินก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่มีน้ำดินก็ไม่มีลมก็ไม่มีไฟก็ไม่มี น้ำก็ไม่มีอาการสาัญจายตนะก็ไม่มีวิญญาณนัญจายตนะก็ไม่มีอกินวัญญายตนะก็ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีหมดเลยที่เป็นภพแล้วก็เป็นภูมิเราจะเนว่าภพเหมือนก็มีสามภพคือกามาภพสัตว์โลกเหล่านั้นยังเสพกามมีอยู่สิบเอ็ดระดับเท่ากันรูปภพสัตว์เหล่านั้นไม่เสพกามนะฮะเป็นพรหม เป็นพรหมก็มีส่วนใหญ่ก็มีขันห้านะฮะก็มีขันหนึ่งอยู่อันหนึ่งคืออสัญญิสัตตาแล้วก็รูปภพก็เป็นภพที่ไม่มีรูปเป็นนามมาทํารวมๆเพราะงั้นไอตัวที่ตั้งของจิตเนี่ยมันก็เป็นนามไปด้วยนะเป็นนามไปด้วยคล้ายๆกับจิตเป็นนึกถึงเวทนานี่จิตไปตั้งอยู่ที่เวทนา จะถามว่าจิตร si, ูปร่างไปยังไงเวทนาหรูป่างไปยังไงมันก็ไม่มีไม่เห็นรูปร่างแต่ว่าจิตเศรื่อเวทนาเนี่ยเรารู้จิตจำเนี่ยเรารู้แจะถามว่าไอ้ตัวจําเนี่ยเป็นยังไงจิตในรูปร่างไปยังไงสิ่งที่เราจําเนี่ยเรารู้นะสิ่งที่เราจําเราเห็นได้เห็นจํำในกอในขอนี่เราเห็นได้แต่ว่าตัวความจําเนี่ยเราเห็นไม่ได้นะแต่รรู้ด้วยจิต เพราะในสังขารก็เหมือนกันพวกกุศลและกุศลที่เกิดขึ้นภายในจิตเราไม่เห็นแต่เรารู้ด้วยจิตในขณะเดียวกันเนี่ยเราสังเกตจากอาการซึ่งก็อาจจะไม่ยุติเสมอไปอย่างที่บอกว่ามนุษย์มันเข้าใจยากมหาส ม, มุทรสุดล้นคนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอัดวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้นสา ย, ยากแท้อย่างถึง แล้วก็จริงอาการเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้อาการจริงหรือไม่จริงฉะนั้นการสแสดงเขาโกรธเขาหึงหวงเขาตกทีเขาโชกต่อยนั่นเป็นการสแสดงให้เห็นว่าเป็นอาการของโกรธแต่ถามว่าเขาโกรธจริงหรือเปล่าก็าไม่ได้โกรธเห็นได้ว่าเป็นการสแสดงสแสดงใหสมบทบาทเท่านั้น มันก็รับสั่งว่าผู้นี้ยมันมันจะไม่มีย่อมไม่มีในอาญาตานั้นไอ้คาว่าในเนี่ยก็เหมือนกันนะคำว่าในไม่ใช่พบเพียงแต่ว่าเป็นคําสมมติเวกถ้าเราเทียงเทียงเนี่ยถ้าเทียงเทียงเราทุทกคนเนี่จะเห็นได้แล้วก็เทียงเทียงตัวนิพพานเนี่ยเห็นได้ว่าทุกทิ้งก็อยู่ทุกคนทุกแห่งทุกสายกลระพิภพเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่ง เราน้อมจิตให้ดับกิเลสได้เมื่อไรมันก็ดับได้เมื่อนั้นถ้าเราทำได้นะฮะคนคนยังสามารถสามารถสัมผัสนิพานได้ในที่ต่างๆทุกคนทุกแขงในส่วนใดของโลกก็ได้แต่ต้องดำเนินไปตามหลักของอริยมรร แต่พูดทนิพานนอนออนจะเราหัดดับโทสะดับราคะดับโลภะดับริษยาอะไรต่อะไรเด็กฝึกดับแต่มันก็ดับอะไรมันก็ดับได้ขณะยาวหรือสั้นไปอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องเป็นนันมากไนะที่สังคมเราไปรุนแรงในเรื่องแบบนี้ใส่ใจแล้วก็ไปรุนแรงในเรื่องแบบนี้เสียเวลาไปเยอะแต่เราน้อมจิต เป็นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระปัญญานึกถึงความมิสุดนึกถึงกรุณาของพุทธเจ้าแล้วจิตมันจะสงบได้ระดับหนึ่งนะทีนี้ก็เพื่อจะเน้นย้ำให้เห็นว่าลูก่รนพิสูจน์ทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวชื่ออายตระซึ่งอายตะนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการรู้บาเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนให้มาแล้วไม่มีตัวตนให้ไป จึงไม่มีที่ที่ตั้งอยู่เป็นการไม่เสดพบนะฮะเป็นการไม่สุภพบได้ภูมินะภูมินี้มีโลกุตระภูมินี้มีแต่ไม่มีโลกุตระภพเป็นการจุติเป็นการอุบัติไม่มีจุติเพราะฉะนั้นท่านยังเรียกให้ต่างไปจากคนตายนะพระพุทธเจ้าก็ที่จริงก็คือตายนะพรานก็คือตายแต่มันมันจะเรียกว่าตายไม่ได้ พระตายมัต้องมีคนตายฮะต้องมีผู้ตายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีตัวตนนะรู้เจ้าเป็นธรรมะพระพุทธคุณก็เป็นธรรมะอย่างที่รับสั่งแสดงเนี่ยแสดงแกพระวักกะลิว่ารู้ก่อนวักกะลิจงพอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อวเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่เห็นธรมรมเพราะนั้นพุทธภาวะมันเป็นธรรม ดูที่บริสุทดูที่ดูที่ปัญญาดูที่บริสุทธ์ดูที่กรุณาเมื่อไม่มีการจุติไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่เห็นไมมันมันจึงไม่เป็นสังขารเพราะพวกเรานี้ถ้าปราศจากดินน้ำลงไฟแล้วมันมันนม่มีต้องมีควบคู่กับดินน้ำลงไฟอากาศและก็วิญญาณการจุตเนี่ยเป็นอาการของจิต แต่ว่าจิตมันไปจุติเฉยเฉยไม่ได้มันต้องมีกิเลสมีกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นมาให้เป็นปฏิสนธิคือให้จิตมันดับจุติจะแปลว่าตายตายก็ต้องมีผู้ตายนะมีผู้ตายมีคนตายมีสัตว์ตายมีอะไรตายก็ไม่เว้อแล้วก็ปฏิสนธิก็แสดงว่ามีกิเลสมีกรรมเป็นเหตุให้ไปสนธิทีนี้พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสไม่มีกรรมเลยไม่มีวิญญาณไม่มีที่ตั้งแห่งวิญญาณ มีในอัตถกถาธรรมบทพระโคติกะท่านบำเพ็ญเพียรเจริญสมณธรรมมาถึงจิตหนึ่งเนี่ยจะบรรลุไปบรรลุแหล่เนี่ยฌานเสื่อมบูบลงมาเป็นปุตุชนเรียบร้อยเลยแล้ว ก, ก็ดูเอกจิตเราเป็นยังไงอ่ะเลยก็คิดว่าตอนจิตมันขึ้นไปสูงขนาดนั้นเน่ย เลจะเชื่อคอตัวเองให้ตายเพื่อจะได้บรรลุนั้นก็คิดอย่างพุทุชนนะอย่าลืมว่าตอนนั้นท่านคิดในจิตของพุทุชนคิดทีนี้พอบางเพนเพียนก็ไปถึงจุดหนึ่งใีตัจวจะบรรลุไม่จะบรรลุนะฮะยวนจะบรรลุก็แสดงว่าความจิตยังเป็นพุทุชนอยู่ท่านเลยเสียคอตัวเอง แล้วเกิดทุกเวทนามันก็เพ่งดูเวทนาเห็นจเจริญในปัสนาะไรทีเนี้ยไปบรรลุมรรคผลกิเลสดับก่อนในชีวิตก็ดับเป็นชีวิตะสมะสีสีเป็นพระหานประเภทหนึ่งดับคือขันธ์กับกิเลสเนี่ยดับต่อเนื่องกันไปก็ไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ ของผู้อนุเคราะห์โลกนะฮประวาาิทันนิพพานไปก่อนเป็นชีวิตะสมศสีสีเคยพบในพระสูตรเฉพาะที่พบนะถ้าพร ะ, รพร ะ, รพระรที่พบที่จำได้อยู่สีห้าสูตรด้วยกันพระท่านทำอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะคือไม่ใช่พระเรียบบุคคลฆ่าตัวตายการเสียนคอตัวเองนั้นเสียนในขณะที่เป็นพุทน้ทุกน แล้วก็อาศัยเวทนาที่เกิดขึ้นจากแผลเนี่ยพิจารณาเจริญปัสสนาปรุมักผลอ น, นิพานจริงจงไม่มีแนวแนวอาญาตนา น, นิพานเนี่ยที่ว่าเนี่ยไม่มีเป็นแนวอย่างนี้เป็นเรื่องของมายานน่ได้แล้วอย่าลืมว่าเป็นเรื่องความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องความจริงเป็นเรื่องความเชื่อที่สร้างขึ้นเป็นจนอุปาทาน เราลองนึกดูนะว่าถ้านิพพานมีภพภูมิเป็นทีอุบัติแล้วไปสิงสถิตอยู่ที่นั้นชั่วนริรันดร์เนี่ยเกิดเป็นคนดีกว่าเยอะเลยยังได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยไป อ, อยู่เฉยๆอยู่ทําอะไรอะ่ะงานการก็ไม่ทําไปอยู่ทําอะไรแล้วบางทีเนี่ยเราก็พูดฟุ้งสั้นไปอพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นั้นที่นี้ที่นั้น อย่าลืมว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงอยู่ในรูปแบบใดแบบใดแบบหนึ่งฮะเว้นไว้แต่พระคุณเวลาปัญหาเกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยพระเจ้าจะต้องประกฏพระองค์อหะแล้วถ้าเราพูดในแนวนั้นผลสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าี่สู้พระเยซูไม่ได้สู้ท่านนับดุลเบีม๋ยไม่ใช่สู้อันเลอไม่ได้สู้พระพรบไม่ได้ พระศาสนิกในศาสนา น, นั้นก็ถือว่าเ้าติดต่อกับพระเจ้าเขาได้เนีย่ยพระองค์มาสามารถช่วยดลบรรดานนต่างๆได้ถ้าเราอ่านความคิดความเห็นของเ อ, อพี่น้อยสลามที่แถวอันดามันที่ถูกเขึ้นสุนานทีเนี่ยคือเขามองอีกมุมนึงเลยนะก็มองอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องของพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างนั้นเป็นเรื่องก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปเมื่อไร่ก็เอาไปเป็นของของท่าน เนความคิดระดับโตอิมาลนะฮะโตอิมาลที่เกาะอะไรบังเกาะเนี่ยหรือพนะิมพ์วสัมภาษณ์มากรลงเออเขาคิดดีเหมือนกันแต่นั้นคือการปรงตุกในธรรมทั้งหลายนะฮะท่นนานฟังคงได้ดูรายการอะไรคนคนคนทีหลวง อ, อปู่อะไรอะปู่อะไรอ่ะ ป, ปู่ปู่ผู้ธรณงที่เพชรบุรีอะเฮ้ยความคิดน่าดูนะฮะ ของความคิดท่านนั้นดูไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลย่ลอยวางไม่โลภอะไรไม่ต้องการอะไ ร, รแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะความคิดความอ่านไม่ใช่ธรรมดานั้นต้องแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยศา ส, สนาพุทธจะสู้ศา ส, สนาอื่นไม่ได้น้อยความว่า ก็คือสอนเท่ากับพรหมนั่นแหละถ้าสอนเท่ากับพรหมพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้พราะมันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเกินพรหมแลยพระพุทธเจ้าสอนเกินพรหม น, นิพพานจึงเกินครบเกินครบทั้งสามขึ้นไปอยู่ที่ไหนเนี่ยผมพูดไม่ได้หรอก อยู่ที่จิตนะอยู่ที่จิตคิตจิตที่ดับกิเลสแล้วก็ดับทุกได้แต่พอท่านตายไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยรับสั่งว่าอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ไม่ได้เป็นไปหาอารมณ์ไม่ได้หาอารมณ์ไาา ม, ม่ได้คือคือหมายความว่าไม่ยินดียินได้อะไรอ่ะความหมายได้ว่าไกลจากกิเลสหาอารมณ์ไม่ได้ อารมณ์ก็คือรูปสิงหรือรสโภชภัพฑ์ธรรมารมย์ไม่มีอารมณ์เรแสดงว่าในขณะที่สรงก็ชนหนูมีอารมณ์แต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยินดียินได้ในอารมณ์มีพยานอย่างรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นบางครั้งทรงอุปมาเห็นว่าว ม, มันเหมือนกับดินมันเหมือนกับน้ํามันเหมือนกับลมมันเหมือนกับไฟคือไม่มียินดียินได้ในอารมณ์ นี่พูดถึงในขณะที่ที่ยังมีชีวิตยอยู่นะฮะเราจะนึว่าดินเนี่ยเขาาดอกไม้ไปบูชาแก่ก็ไม่ยินดีนะฮะเพื่อนก็ตอกเข็มลึกกังเยอะเลยเขาก็ไม่ยินได้เลถ่ายสกรปรกลงไปก็ไม่ยินได้เอาดอกไม้หอมไปวางก็ไม่ยินดีนะลมลมน้ําลมไฟก็จะมีลักษณ ะ, ะยอย่างนั้นเป็นอุ ป, ปมาณนะเป็นอุ ป, ปมาเจียบเขียนที้เห็นสภาพจิตของพระอระหันต์ ว่า น, นิพพานในสูตรเนี่ยที่จริงได้บ่งบอกให้เราเข้าใจแล้วก็ตรงกับตรงนี้โดยโดยเฉพาะเลยนะฮะถ้าท่านผู้ฟังที่เคยอ่านหนังสือธรรมวิจารณ์สมเด็จราม น, นาก็ยกตรงเนี้ยไปไปอยู่ในหนังสือธรรมวิจารณ์อธิบาย น, นิพพานเรียกว่าปรามัถะปฏิปทาเริ่มมาจากนิบิทาเวลาฆาวิมุตติสุสันตินิพพานไปเลยไปหนังสือเรียนถ้าถาม่นเอง และรับสั่งว่าหาอารมณ์ไม่ได้นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์อยเลืมนะฮะถ้ามีอาญตนะเป็นที่อุบัติมันก็มีจิตเตะแล้วก็มีอุบัติแล้วก็มีพภพอมันมั่วไปหมดน ะ, ะมั่วไปหมดเลยไปขัดแย้งกันหมดในพระไตรปิฎกเนลยเพราะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าพระสตรปิฎกอย่ายุ่งกับท่านท่านว่าอย่างไงคืออย่างนั้นแหละ เราเข้าไม่ถึงก็คือเข้าไม่ถึงไม่ใช่ไม่จริงแต่เราเข้าไม่ถึงความจริงเฉยๆไม่ใช่ว่าใช้ความรู้อะไรก็ไม่รูไปปฏิเสธได้มันบุ้นไปหมดเลรที่จริงอุตตะส่งแสดงตรงนี้ไว้ตั้งแต่มาธมเทศนานะฮะที่พูดจกับคนอื่นเนี่ยรู้ภายในพระทยัยก็รู้ตั้งแต่นันะ้นภายใต้ต้นโพ ร, รับสั่งแก่ท่านปัญจวัคียตอนท้ายของพระสูตร์ ก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่ okay, เราว่าอายมันติมาชาติชาติสิ้นแล้วไม่ใช่อกุปเมวิมุติการหลุดพ้นนี้ไม่กําเริบคือไม่เปลี่ยนแปลงหลุดพ้นแล้วไม่เปลี่ยนเป็นครามไม่หลุดพน้นของเรานี่เปลี่ยนได้นะแต่ว่าของพระพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทั้งหลายนี่ที่พ้นแล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นไม่พน้น ผลก็ผลเลยชาติสิ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วนติดาีิปุณญพโกไม่มีพบใหม่ไม่มีพบใหม่เพราะโลกุตระพบจริงไม่ยียีแต่โลกุตรนะภูเป็นระดับของจิตเป็นชั้นของจิตที่ไม่เกลื้อเกลือ้อไม่เกลื้อเกลือกล้อเจือปนด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายาเร่มเไร เสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณ์ในธรรมยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี